ข้อความในคัมภีร์คุถการนิกายพุทธวงศ์วันนี้มาขึ้นวงของพระปิยทัศนศรีพุทธเจ้านันะเรียกว่าพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นมาขณะที่พระองค์ประสูตินั้นหมู่มหาชนทั้งหลายได้เห็นวัตถุอันเป็นที่รักนั่นนะได้เห็นแต่สิ่งที่น่าปรารถนาพระองค์ก็เลยชื่อว่าปิยทัศนศีปิยนี่แปลว่าเป็นที่รัก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 เมื่อสมัยหนึ่งพันแดร้อยกับนั้นได้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสามองค์เนี่ยนะปิยทัศนีอัฏฐทัศ ส, สีและธรรมทัศนีนี่มาพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สิบสามเนี่ยนะที่มาพยาที่พยากรณ์พระโพธิสัตว์หรือพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราสมัยที่พระองค์ยังบำเพ็ญบารมีสิบประการข้อความในพุทธวงข้อสิบสี่ได้กล่าวว่า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 ปกปิดอาคิดว่าอาวิชชานั้นเป็นธรรมชาติที่ปกปิดธรรมชาติที่ทำให้ไม่รู้ไม่เห็นนะถ้าใครเคยเดินทางยามค่าคืนโดยเฉพาะต้องปีนเขาเป็นต้นเนี่ยนะข้ามจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่งที่เต็มไปด้วยเหี้และเต็มไปด้วยสัตว์ ร, ร้ายในถ้มกลางบรรยากาศที่ไม่มีไม่มีแสงไฟฉันใดผู้ที่ท่องไปในวัดตะก็ ฉั น, นั้นเนี่ยนะชั้นผู้ที่ท่องไปในวัตฏะนั้นโดยมากแล้วไม่มีแสงสว่างอยู่เลยเดินทางไปในวัตฏะด้วยความมืดเรียกว่ามีแต่จักขุวิญญาณแต่อวิปปัญญาญาณเป็นต้นไม่เกิดมีแต่โสตวิญญาณได้ยินเสียงแต่ว่าไม่มีกรรมสกตาญาณเป็นต้นในยามได้ยิน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 ถ้าทำมาจักให้เป็นไปเนี่ยนะปฏิเสธข้อปฏิบัติทั้งที่เป็นการ ม, มัสุขัลิ ก, า, กตตล า, านุโยกปฏิเสธข้อปฏิบัติอตตะกิลามัฐานุโยกประกาศข้อปฏิบัตินนะคือมัชชีมาปฏิปทาอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นข้อปฏิบัติที่ทําจักโสให้เกิดธรรมญาให้เกิดทําปัญญาให้เกิดเนี่ยนะย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกําหนัดเพื่อความตรัสรู้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อพระนิพพานอันนั้นคือข้อปฏิบัติที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศเพราะว่าพระองค์เดินตามทางเช่นใดแล้วพ้นทุก์พระองค์ก็เอาหนทางคืออริยมรรคเหล่านั้นมาแต่งตั้งประกาศเปิดเผยทําให้ง่ายซึ่งว่าทางอันนี้ทางคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นทางที่พระพุทธเจ้าค้นพบด้วยพระปัญญาอันยิ่งเป็นผลผลิตจากการสร้างบารมีของพระองค์ด้วยแล้วก็เป็นผลของ อัธยาศัยที่มีใจกรุณามุ่งให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยพระองค์ก็เลยเอาอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี้มาบอกกล่าวแต่งตั้งเปิดเผย น, นะเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างเกิดความรู้เกิดความเห็นในอริยาศาสตร์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าปิยทัศ ส, สีเนี่ยนะบำเพ็ญพุทธกิจทั้งหลายมีเหตุการณ์ที่น่าอัศาจรรย์เป็นสองกลุ่มใหญ่ ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อย่างที่1นึ่เาเรียกว่าอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งให ญ, ใหญ่เหตุการณ์ที่สําคัญสำคัญในการบรรลุธรรมแต่ละครั้งแต่ละครั้งของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดและอย่างที่สองสาวกสนนิบาตการประชุมพระอรหันตตสาวกทั้งหลายเพื่อแสดงโอวาทปาติโมอันนี้เป็นสาระสําคัญที่เอามาแสดงในพุทธบงเนี่ยนะก็กล่าวถึงพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ย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 นะไม่มีผู้ใดจะเอาอะไรไปตวงไปเป็นมา้าเป็นเครื่องวัดนะไปช่างว่าศีลของพระองค์เป็นเท่านี้สมาธิของพระองค์ปัญญาของพระองค์เป็นต้นแต่ละอย่างเท่านี้เท่านี้นั้นพระองค์ไม่มีผู้ใดช่างได้ในอริยะคุณทั้งหลายพระพุทธเจ้าปิยะทัศน์มีอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งใหญ่ๆอยู่3ามครั้งด้วยกันนะอภิสมัยสมัยที่พุทธบริษัททั้งหลายแทงตลอดอริยสัตว์ครั้งที่หนึ่ง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 พระเจ้าอของเท้าสุทัศนะเทวราหรือพระราชามิจฉาทิฐิพระราชาเทวดานะพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดในครั้งนั้นการประชุมชนนับไม่ได้ก็เป็นมหาสันนิบาตอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สองก็ได้มีแกษสัตว์จำนวน9ก้า0มืนกอดครั้งพระผู้เป็นสารถีฝึกคนะนะผู้ฝึกบุรุษ ที่คู่ควรแกการฝึกได้ทรงฝึกพระยาช้างโทนมุกคล้ายๆกับช้างนารากิรีอภิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมในครั้งที่สก็ได้มีแกสัตว์ประมาณ 80,000 ่นโกดพระปิยะทษเสภุทธาเจ้าแม้พระองค์นั้นก็ทรงมีสันนิบาตการประชุมอรหันตสาวกจำนวน3าครั้งครั้งแรกมีสาวกมาประชุมกันประมาณแสนโกดพระมุนีนะ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 พระองค์ก็เล่าให้ภาษารีบุตรฟังว่าเมื่อ1800กลับก่อนนั้นน่ะพระองค์เป็นมานบมานพหนุมานบแปลว่าชายหนุ่มเนี่ยนะชายหนุ่มที่อยู่ในวันณพราหม์ชื่อตามนามสกุลว่ากัสปะเป็นผู้คงแก่เรียนทรงมนจบไตรเพศมานบพรามหนุม่มกัสปะคนนี้ก็เข้าไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าปิยทัศีะนะเมื่อพระพุทธเจ้าหลังธรรมทานให้เขา เขาก็เกิดความเลื่อมใสเนี่ยนะนะมีศรัทธาเพราะว่าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจเพราะนั้นด้วยศรัทธาเนี่ยนะนะเป็นเหตุให้ทําพุทธบูชาก็คือได้สร้างสังขารามก็คือสร้างสถานที่น่าเรื่อนรมถวายแก่พระภิสุสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกด้วยทรัพย์ประมาณแสนกกเนี่ยนะนะนะก็คือเป็นลูกชายมหาเศรษฐีที่ร่ํารวยมากเป็นมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่มากก็สละทรัพย์ สร้างเป็นสังขารามก็คือสร้างวัดสร้างสถานที่น่ารื่นรมถวายแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระโพธิสัตว์นั้นได้ถวายอารามเนี่ยนะคล้ายๆกับสร้างอ น, อนาถยินทิกะเศรษฐีสร้างพระเชตวานารามพระเจ้าพิมพิสารถวาย เ, าเวรุวรณารามเป็นต้นเนี่ยนะท่านเหล่านี้ก็สร้างอารามเป็นพุทธบูชา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 จากเสด็จออกพิเนสกรมคือการออกบวชจากกรุงกบิลพัทเป็นเมืองที่น่ารื่นรมว่าเป็นเมืองที่อยู่เพลิดเพลินแล้วก็สุขสบายแต่ก็บรรยากาศที่ไปก็ยังร่มรื่นอยู่นะพระพระตถาคตก็ตั้งความเพียรทมทุกระกิริยารวบรวมโพธิปัจจะธรรมเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์นั้นประทับณโคนต้นอชปาละนิคโครต้นไทรที่ชาวเด็กเลี้ยงแพ้ไปพักเนี่ยนะแล้วก็รับข้าวมะทุปายาสนที่นั้นเมื่อรับข้าวมะทุปายาสเสร็จแล้วก็เสด็จไปยังแม่น้ําเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นสเสวยข้าวมะทุปายาสที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราเสร็จแล้วก็เสด็จ ด, ดําเนินไปตามหนทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโพเพฤก จากสถานที่ลอยถาดไปหาต้นโพก็หน้าสักสองกิโลได้เนี่ยนะไม่ไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยนะเดินแป๊บเดียวเองเนี่ยนะสมัยที่ต้นไม้ร่มรื่นบ้านเมืองร่มเย็นเนี่ยนะก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยจากนั้นพระผู้มีพระยศนะนะพระผู้มียศก็คือเป็นหัวหน้ามีบริวารมากพระองค์ก็ทรงกระทำประทักษิณเวียนขวาโพ ท, ที่มันสถาน สถานที่ที่ตรัสรู้เนี่ยนะเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมที่พระองค์ประทับนั่งพิจารณาอริยสัจตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสรูนะ้ณโคนต้นโ พ, โพรกต้นโพใบชื่อว่าอสัทธะหรืออสัทธเพฤกเนี่ยนะเป็นภาษาบาลีเรียกว่าต้นอสัทธะเนื่องจากพระพุทธเจ้าประทับนั่งณนะต้นนี้แล้วตรัสรู้พระองค์ก็เลยชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้ก็ชื่อว่าต้นโพ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 เป็นผอาหันผู้ปราศจากอาสวะทั้งสี่มีมีใจปราศจากราคะมีจิตใจที่สงบแล้วก็ตั้งมั่นหรือเป็นผู้คงที่พระพุทธอุปถาคอยบำรุงนะปรนิบัติพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าอานันท์จับบำรุงพระเชียนเจ้านะคอยทำนนบำรุงดูแลเอาใจใส่ทำหน้าที่พุทธอุปถากชื่อว่าพระอนุน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 1800กับเพราะฉะนั้นหมื่นโล ก, กธาตุพร้อมทั้งเทวโลกเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็พากันโหร้องปรบมือหัวเราะร่าเริงประคองอัญเชลีนมั ส, สการเหมือนอย่างว่าใครที่ดูตารางดูตั๋วในการเดินทางเออถ้าพลาดเที่ยวนี้กันเออที่ยวนี้นะเอ๊ยยังมีให้ไป อ, อีกตั้งหลายเที่ยวอ่างนั้นดูตารางเดินทางแล้วแม้ถ้าพลาดเที่ยวนี้เที่ยวห น, น้าน่าจะได้ไปนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความปราบเริ่มปีติเช่นนั้นว่า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 จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้อย่างไรอันนะั้นนะเป็นใจกรุณาที่มุง่งมุ่งเปลื้องทุกข์เพราะเห็นความทุกข์ของเขาเป็นอเนกประการเพราะในโลกนี้นะทุกทั้งร่างกายทุกทั้งจิตใจทุก์ที่ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักทุกจากการพลาดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักหรือทุก์ปรารถนาเพราะไม่สมหวังหรือความทุกข์อย่างที่เราสวดกันมาเมื่อกี้เนี่ยนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็น เพราะฉะนั้นควรที่จะสร้างบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะช่วยปลดเปลื้องสรรพสัตว์พร้อมทั้งเทวดาให้พ้นไปจากทุกข์เอ๊เทวดาท่านก็มีความสุขทำไมต้องช่วยท่านให้พ้นทุกข์ด้วยจริงอยู่เขาหัวเราะในตอนเช้าแต่ถูกประหารในตอนเย็นเนี่ยนะว่าจัดงานเลี้ยงส่งลาตายฉันใดเทวดาทั้งหลายก็ฉะนั้นเพียงแต่ว่าอยู่ไม่นานเนี่ยนะจริงอยู่ว่าบรรยากาศที่น่ารื่นรมเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลิน แต่สุขในสวรรค์เป็นต้นยั่งยืนไหมเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่มีหรือว่าสมมติว่าสวรรค์สมบัติหมดสิ้นแล้วไปไหนต่อโดยมากก็ไปสู่อาบายทุกขติวินิบัตินรกก่อนที่เขาจะไหลไปสู่กระแสแห่งอาบายทุกขติวิบัตินรกก็ช่วยให้เขาตรัสรู้ช่วยให้เขาข้ามจากวัฏฏทุกข์เหล่านั้ น, นพระองค์ก็มีใจกรุณาที่จะปลุงเทวดาและมนุษย์ให้พ้นจากทุก